เหตุที่ผูกพันแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเข้ากันได้เพราะตัวใกล้แต่นิสัยห่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้จะเป็นคนรักที่รักกันจริงก็ดีจะเป็นญาติสนิทมิสหายที่เข้ากันได้อย่างกลมเกลียวก็ดีต้องเป็นไปด้วยค่า น, นิสัยมีศรัทธาไปในทางเดียวกันมีศีลเสมอกันมีน้ำใจไม่แพ้กันมีปัญญาไม่น้อยหน้ากัน และพูดจากกันดีๆเลีงแลกันด้วยความเอ็นดูไม่มีเจตคิดประทุษร้ายต่อกันหาใช่แค่เอาตัวมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วความสนิทชิดเชื้อจะเกิดขึ้นได้เองไหมแม้จะอุปโลกฐานะใดๆให้กันหรือแม้กระทั่งถูกกรรมจัดสรรให้มาเป็นพ่อแม่ลูกกันอากไม่อาจเข้ากันได้โดยท่า น, นิสัยแล้วก็จะได้แต่รู้สึกผูกพันแต่ไม่อาจเข้ากันได้สนิท หรือมีเหตุให้คิดไม่ดีต่อกันอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งต้องมีจุดเริ่มต้นการจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันอา จ, จเริ่มต้นจากอะไรที่มีอยู่แล้วเช่นการทะเลาะเบาแหวงโดยตั้งใจพยายามแปลงความคิดขัดแย้งให้เข้ากันบ่อยๆหรือหันหน้ามองอะไรดีๆในแง่เดียวกันบ้างชักชวนกันทำประโยชน์ให้คนอื่นบ้าง เจตนาร่วมมือกันสร้างบุญสัมพันธ์ดีๆจะจุดชนวนให้ค่อยๆสะสมศรัทธาศีลน้ำใจและปัญญาให้ก่อตัวขึ้นเป็นความผูกพันในแบบใกล้ด้วยใจไม่ใช่แค่จำใจต้องตัวติดกันและยิ่งเดินไปด้วยกันจะยิ่งรู้สึกถึงเส้นทางสู่ความสุขอันเป็นทิพตลอดจนการพ้นทุกร่วมกัน